แต่นี่ไปแสดงผิดแปลว่าแสดงดีอ่ะแต่ว่าแสดงเหมือนกับว่าแสดงผิดที่อ่ะนะซึ่งปกติพวกนักแสดงก็แสดงไปพวกสวดชัยมงคลก็สวดไปชยานรินทะค่ะแต่พระจรณระขอพระองค์ทรงชนะอ่ะนะขอจงชนะขอจงชนะชนะมีพวกอวยพอรอย่างนี้ตลอดพวกพวกที่ถือมงคลมีสุตะมงคลก็ด้วยหาถ้อยคําสรนเสริญสดุดีพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆ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 เขนเป็นสารเป็นจนหมาเนี่ยไปบอกว่าลูกอนะบัด น, นี้ว่าเจ้ามีลูกแล้วนะเจียงก็บอกแม้เป็นไม้เด็ดของพระเจ้าสุดโทธนะวังงานนี้ยังไงไม่บวชแม่เพราะมีลูกแล้วว่างั้นก็เลยดีใจรีบไปแจ้งข่าวให้ลูกชายทราบพระโพธิสัตว์เนี่ยพอได้ฟังข่าวนั้นเข้าเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อตัวนี่เหมือนกับว่าสันด ร, ริกเลยดีใจมากเรียกว่าความเสนหาเนี่ยนะ เกิดความรักในลูกขึ้นมาแบบเขาเรียกว่าไม่ปกติเลยอะปกติท่านไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเหมือนกับว่าจิตใจในี่ผิดปกติเขาเรียกว่าเนหาความรักในลูกไม่มีกําลังมากก็บอกก็เลยพูดว่านะตามสภาพของตัวเองขณะนั้นเลยว่าห่วงนี่เกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกก็เกิดขึ้นแล้วที น, นี้พระราชาก็ถามพวกสงสารไปว่าลูกของเราพูดอะไรมัางเมื่อทราบข่าวว่ามีลูกก็ฟังคํานั้นก็ตั้งอย่างนั้นก็เลยบอกล้านเราชื่อว่าราหุลกุมาร ห่วงหรือเครื่องผูกเหมงอนนนะแล้วนะครับผูกอะไรผูกใจพ่ออยบบ่าบวชเหมนนะเครื่องผูกใจพ่อหนนห่วงหรือบ่วงตัวนี้ก็คือเครื่องผูกใจพ่อนั่นเองนะให้ติดเลยนะแม้พระโพธิสัตว์ก็ขึ้นรถนั้นแล้วก็เสด็จเข้าสู่พระนคร <c oughs> ด้วยขาราชบริพารหมู่ใหญ่ด้วยเสด็จโสภาอันน่าเรื่อนรมยิ่งนักสมัยนั้นนางกษัตริย์นาวากีสาโคตมี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 ไปตามพื้นปราสาทชั้นบนไปถึงก็ไปเห็นภาะรูปสิริของพระโพธิสัตว์กำลังเสด็จสู่พระนคร น, นะก็ไปเห็นพระโพธิสัตว์เข้านางกีสาโคตมีนี่เกิดโสมนัตขึ้นมาเองเลยนะดีใจบอกไม่ถูกเลยเห็นพระโพธิสัตว์ที่แต่งองค์ง า, ามแบบนั้นนะเปล่งอุทานว่านิพุตานูนสสมาตานิพุโตนุนาโซปิตานิพุตานูนัานารียัสายัง อีที่โสปติแปลว่าบุรุษเช่นนี้เป็นบุทของมารดาผู้ใดมารดาผู้นั้นก็เย็นแน่เย็นหรือดับเนี่ยดับตัวนั้น่ะหมายคาอว่าลูกคนนี้ะนะมีแม่เช่นใดอ่ะนะแม่ผู้นั้น่ะดับดับหรือเย็นใจได้แน่แม่คนนั้นดับกิเลสได้แน่แม่คนนั้นดับทุกข์ได้แน่แปลว่าใครที่มีลูกแม่ผู้ใดที่มีลูกเช่นนี้แม่นั้นสบายใจอย่างเดียว แม่ผู้นั้นมีแต่ความสุขอย่างเดียวแม่ผู้นั้นดับทุก์ได้อย่างเดียวหรือว่าบุตรผู้นี้เนี่ยนะบุตรเนี้ยเป็นบุตรของบิดาใดบิดานั้นก็เย็นใจสบายใจสงบใจหมดความทุกข์ใจอย่างแน่นอนหรือว่าชายผู้นี้เป็นสามีของนารีใดนารีแปล ว, ว่านางหรือหญิงใดเนี่ยนะชายผู้นี้เป็นสามีของหญิงใดหญิงผู้นั้นก็เย็นใจสงบใจสบายใจแ น, น่นอนก็แปลว่า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 ท่านก็เลยคิดต่อไปอีกว่าเอ๊ถ้าจะดับถ้าจะดับเนี่ยมันต้องดับที่ไหนมันต้องดับด้วยการดับราคะดับโทสะและดับโมหะเป็นต้นการที่เราจะดับราคะโทสะโมหะทํายังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แหละเป็นวันที่ควรควรที่เราจะลิง์ละทิ้งคารวะวิสัยออกบวชแสวงหานิพพานนะเพราะฉะนั้นวันนี้แหละบวชได้เลยกางเงนเพื่อที่จะดับราคะโทสะโมหะเนี่ยนะเสร็จแล้วพองก็เปลื้องแก้วมุกดาหารจากข้าศอ ส่งส่งแก้วมุกดาหารที่ทําความยินดีอย่างยิ่งมีค่านับแสนมอบให้แก่เจ้าหญิงกีสาโคตมีด้วยหมายพระหฤทัยว่าแก้วมุกดาหารนี้จะเป็นสักการะส่วนบูชาอาจารย์สําหรับเจ้าหญิงพระองค์นี้เพราะคําที่สองบรรทัศนที่แสดงเนี่ยถือว่าไพเราะมากดีมากแสดงดีอะบูชาอาจารย์กันแล้วกันไม่รู้จะเอาอะไรบูชาที่มัน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 ฝายพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จขึ้นปราสาทที่น่ารื่นรมอย่างยิ่งอ น, นะด้วยเหตุให้เกิดเสด็จอย่างใหญ่บันทมเหนือพระที่บันทมท่นานใดนั่นเองสตรี ร, รุ่นรุ่นทั้งหลายผู้มีดวงหน้างามเสมือนดวงจันทร์เต็มดวงมีริมฝีปากแดงเสมือนผลตำลึงสุกมีฟันขาวสะอาดเรียบมีระเบียบไม่มีร่องมีดวงตาเขียวครามมีมวยผมมีคิ้วกงเขียวจัดเหมือนดอกอัญชัน นะมีเต้าที่เ อ, อิบอิ่มเสมอเป็นระเบียบนะก็อ่านเอาเละกันที่เหลือนะสรุปว่าทําความรื่นรมมากนะก็คือเอาแต่คนสวยว่า ง, งั้นเถอะมามาฟ้อนรําขับร้องให้พระมหาบุรุษเนี่ยรื่นเริงประกอบการฟ้อนรําขับร้องบรเลงเพลงเรียกว่าสุดฝีมือสุดความสามารถอ่ะนะพระโพธิสัตว์ไม่ยินดีอย่างยิ่งแปลว่าเบื่อมากเลยนะครับ แปลว่าปกติเนี่ยคนที่ฟังดนตรีเนี่ยจะฟังด้วยความเพลิดเพลินแต่วันนั้นเป็นวันที่รําคาญที่สุดเป็นวันที่ฟังเพลงแล้วรําคาญมากเลยนะคือคื อ, คอมบบโอ้ยนะร้องอะนะที่จริงอะถ้าเป็นแบบเป็นพเด็ดการหน่อยก็บอกว่าเงียเงียบไปให้ไกลไปพ้นไปอะไรเงี้ยนะแต่ท่านก็ก็ก็ข่มใจไปอย่างนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่รําคาญมากเพราะมีจิตเหนื่อยหน่ายในกิเลสเบือเ่อเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าถูพวกนี้มันเป็นที่ตั้งแห่ง ราคะโทสะและโมหะเพราะฉะนั้นใจเนี่ยเห็นโทษของวัฏตะตเต็มที่เห็นโทษของความแก่ความเจ็บความตายอยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่าคิดนะว่าท่านฉลาดน้อยกว่าพระสารีบุตรพระสารีบุตรเห็นพวกพวกฟ้อนรําท่านคิดยังไงบอกโอ้ยพวกคนร้องรำเนี่ยนะอีกร้อยปีมจะมาร้องมารําอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไอ้พวกคนดูอีกร้อยปีจะมาร้องมารํามาดูอยู่ตรงนี้ไหมมันเดี๋ยวไม่ถึงร้อยปีพวกนี้ก็ตายกันหมดแล้วนะพระพระโพธิสัตว์เนี่ยยังไงท่านก็คิดได้กว่านั้นอยู่แล้วเนี่ยนะ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 ว่าสกปรกจริงๆพื้นที่หลับที่นอนนะปกติมันสะอาดขัดเรียมหมดอ่ะนะบอกมันปฏิกูลมากเลยนะสกปรกมากเหมือนอะไรเหมือนป่าช้าผีดิบที่เต็มไปด้วยซากศพสรีระของคนตายที่เขาทอดทิ้งเอาไวา้เพราะนั้นมองเห็นพบสามสมเหมือนถูกไฟไหมพบสามนี่ถูกไฟไหมไฟราคาโทสะโมหไฟคือชาติชารามรณะเป็นต้นเผาไหมแล้วก็เลยพร่ำบ่นว่าวุ่นวายจริงหนอขัดข้องจริงหนอ สังขารเนี่ยมันวุ่นวายจริงๆขัดห้องจริงๆคือท่านมองว่าสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนายน่าอึดอัดน่าชิงชังเพราะอาเกียนไปด้วยชาติชราและมรณะและเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะท่านมองเห็นขันห้ามองเห็นภพสามเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนายวุ่นวายขัดข้องใจของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อบรรพชาอย่างยิ่งเนคขมมะบัวเธอบัวเธอร์อนะบอกตัวเองก็นั่นแหละ พระองค์ก็ดำเนิน ว, ว่าวันนี้นี่แหละควรที่เราจะออกมหาพิเนสกรมเสร็จแล้วพระองค์ก็ลุกจากที่บรรทมเสด็จเข้าไปใกล้ประตูตรัสถามว่าใครอยู่ที่นั่นก็นายฉันนะที่เป็นอมาะเนี่ยนะก็บอกนอนเรียกว่าปกติก็นอนศีรษะใกล้ธรณีประตูเนี่ยนะหัวเนี่ยใกล้ใกล้ธรณีประตูะทูลว่าข้าพระบาทันนะพระลูกเจ้าครั้งนั้นพระมหาบุรุษก็ตรัสว่าวันนี้เราประสงค์จะออกมหาพิเนสกรมคือจะออกบวชเจ้าอย่าบอกใครนะ เตรียมสินทบฝีฝีเท้าเร็วจัดเอาไว้ให้เราตัวหนึ่งนายชนะก็ทูลรับพระดำรัสถือเครื่องประกอบมา้าเนี่ยไปยังโรงมา้าพบม้าฝีเท้าดีชื่อว่ากันทกะที่สามารถย่ายีฆ่าศึกได้ยืนอยู่นะผู้มีภาคอันน่ารื่นรมอย่างยิ่งภายใต้เพดานแผ่นดอกมะลิเมื่อประทีบน้ํามันหอมอย่างลูกโพล่งอยู่ก็คิดว่าวันนี้เราควรเตรียมม้ามงคลตัวนี้เพื่อให้พระลูกเจ้าออกอภินิษฐกรมออกบวช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 คงจะตั้งความปรารถนามาเป็นมา้าตั้งความปรารถนาะขอให้ได้ไปเป็นมารับใช้พระโพธิสัตว์ให้ท่านได้ออกบวชนะบางคนเนี่ทําบุญแนละ้วตั้งความปรารถนาะคล้ายๆแบบนี้จริงๆนะขอเรียกว่าขอเป็นท่ารับใช้จะอยู่ในฐานะใดก็ช่างเถอะขอให้ได้รับใช้ผู้มีบุญแบบนั้นเพราะะฉนั้นท่านก็เลยอะไรเรียกว่าเหมือนกับว่าอธิษฐานมาเกิดเป็นมา้าเพื่อจะได้รับใช้พระโพธนะนะิสัตว์เนี่ยนะเสร็จแล้วจากนั้นมา้าคันตะกะก็ มีใจยินดีร้องลั่นนะนะว่าวันนี้จะได้สําเร็จความตั้งใจของท่านที่จะมาเป็นม้าออกบวชให้พระโพธิสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยร้องดังลั่นเสียงร้องลั่นเนี่ยนะปกติแล้วเสียงนั้นอ่ะตังหวานไปทั่วกรุงกรบิลพัฒแตเทวดาก็ปิดกั้นไม่ให้ใครได้ยินเสียงเสียงม้าดังสนั่นไปหมดเลยนะปกติคนต้องตื่นหมดแหละแต่ว่าเทวดาก็ช่วยกันคือเทวดานี่เ้าลุ้นกันมากเลยนะเทวดานี่ลุ้นมาทำยังไงจะได้ออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสักสักทีหนึ่งอ่ะนะ พระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้เราจะดูลูกเสียก่อนคือปกติแล้วพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องเห็นหน้าลูกก่อนและจึงออกบวชเนี่ยนะมันก็จะดูหน้าลูกของเราเสียก่อนมาเั้นจากที่นั้นก็ไปประทับยืนที่ไปยังที่ประทับอยู่ของพระมารดาพระราหุลพระองค์ก็เปิดประตูห้องขณะนั้นประทิปน้ำมันหอมในห้องก็ยังติดโคลงอยู่มารดาพระราหุลบรรทมวางพระหัตถ์ไว้เหนือกระหม่อมคือเรียก พาดหัวไว้บนเอ่อพาดแขนไว้บนศรีรษะของพระโอรสเนี่ยนะบนที่บันทมที่เกลื่อนกล่นไปด้วยดอกมะลิเป็นต้นนะอัมพนะพระโพธิสัตว์วางพระบาทที่ธรณีประตูประทับยืนมองดูก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราจักยกพระหัตคือยกแขนของพระเทวีออกไปแล้วจับลูกเราพระเทวีก็จะตื่นเมื่อเป็นดังนั้นอภินศสกรมของเราก็จะเป็นอันตรายเนี่ยนะ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 เป็นม้าที่มีสีเท้าและกําลังอันเลิศขาวปลอดสีสันหน้าดูเหมือนสังขัดจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ประทับนั่งอยู่บนหลังมา้าทรงเนี่ยนะก็โปรดให้นายฉั น, นะจับหางมา้าถึงประตูใหญ่แห่งพระนครตอนครึ่งคืนที่จริงก็เอ่อตอนครึ่งคืนเนี่ยก็หมายความว่าเที่ยงคืนเนี่ยก็มาถึงประตูถ้าถ้าไปที่กบิลพทัทเขาบอกว่าเนี่ยประตูพระโพธิสัตว์ออกบวชกับงั้นนะครั้งนั้นแต่ก่อนพระราชาเนี่ยจัดให้บุรุษ ไว้คอยเปิดประตูบานประตูเนี่ยนะประตูใหญ่มากต้องใช้คนพันหนึ่งนะจริงจะเปิดได้ปิดได้ก็ถือว่าพระโพธิสัตว์จะได้ไม่เปิดออกนี้ออกบวชได้นะแล้วก็ตั้งกองรักษาการณบานประตูนั้นได้ยินว่าพระโพธิสัตว์นั้นทรงกําลังเท่ากับบุรุษจํานวนแสนโกดเท่ากับช้างจํานวนพันโกดเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าถ้าหาว่าประตูไม่ยอมเปิดวันนี้นี่แหละเรานั่งที่หลังกัรตการจะให้ในายฉันนะจับหางเอาสองขาเนี่ยนะ หนีบกันตากา้าแล้วก็กระโดดข้ามกำแพง18ศอกไปพร้อมกับนายฉชนะก็คือเว้ยเรื่องแค่นี้เล็กน้อยเดี๋ยวเขาโดดข้ามไปก็ได้ไมเห็นยากอะไรเลยเพราะเรี่ยวแรงคนขนาดนั้นแล้วนะส่วนานายฉชนะคิดว่าถ้าหากว่าประตูไม่เปิดเราก็จะเอาพระลูกเจ้าเนี่ยขึ้นคอแล้วก็เวียงม้า ก, กันตาก้าด้วยมือขวาหนีบไว้ที่รักแร้แล้วก็กระโดดข้ามกำแพงไปให้ได้แต่ละคนนี่เก่งๆแรงดีทั้งนั้นเลยนะ ฝ่ม้ากันตกากก็คิดว่าเมื่อประตูไม่เปิดเราก็จะประดิษฐ์ธานท่าลูกเจ้าตามที่ประทับนั่งนี่แหละนะก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็กระโดดไปพร้อมกับนายฉันนะที่จับหางเอาไว้แล้วก็กระโดดข้ามกำแพงไปทั้ง3คนคิดเหมือนกันสําหรับ น, นะไม่ได้ได้แต่คิดนะไม่ได้ทำหรอกเพราะเทวดาที่สิงอยู่ที่ประตูก็ช่วยกันเปิดประตูใหญ่ให้ขณะนั้นเนี่ยนะพยามานก็เข้ามาแล้ว มารผู้ขัดขวางเนี่ยนะเขาถือว่าเขาเป็นอย่างที่สุดมีผู้ที่จะออกนอกอาณาจักรของเขาแนละ้วก็คือหมายว่าถ้าตรัสรู้โลกุตรธรรมก็คือเขาเรียกว่าพ้นเขตพ้นวิสัยของเขาพวกนี้หาทางออกจากวิสัยของเราคือเพราะว่าบรรดาผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกเนี่ยนะพร้อมทั้งเทวโลกก็คือพญามารก็คือหมายว่าไม่ต้องการให้ใครเนี่ยหลุดออกจากนอกวงโครจร น, นอกจากการควบคุมของตัวเองนะ คออือยังยังจะอยากมีอำนาจครอบคลุมไปหมดถ้าหากว่าเขาตรัสรู้โลกุตระธรรมไปแล้วก็ถือว่าพน้นพ้นวิสัยพ้นอำนาจของตนก็เลยคิดว่าจากให้พระโพธิสัตว์กลับไปยืนอยู่กลางอากาศนั่นแหละบอกว่ามานิขมะมหาวีระอิโตเตสตะเมทีเนที่พังตุจักกรัตนังอัฐาปาตุภวิสตินะไปเรียกเพราะเลยนะท่านมหาวีระคือพระองค์ผู้กล้าคาดนี่คนกล้า อย่าออกบวชเลยนะเพราะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีกเจวันจักรรัตน์ทิพจะปรากฏแก่ท่านแน่นอนท่านเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหลังจากนี้อีกเจวันและท่านก็จะครองราชแห่งทวีปทั้ง4ี่มีทวีปน้อยสองพันเปรมริวานกลับเสียเธอท่านผู้นิรทุกข์กลับไปครองจกักรพรรดิสมบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่เถอะพระมหาบุตรก็ถามว่าท่านเป็นใครก็บอกว่าเราเนี่ยคือผู้มีอำนาจ เขาบอกเขามีอำนาจที่สุดสั่งการอะไรก็ได้อำนาจเขาใหญ่มากพระมหาบุรุษก็บอกว่าชานะมหังมหาราชไมหังจักกัสสะสัมภวังอนติโกหังรัชเชนะคัตชะตะวังมารมาอิท้ดูก่อนมหาราชเรียกเพราะเลยมหาราชก็เรียกว่าเทวดาเนี่ยนะมาฆ่าแต่เท้ามหาราชเราเนี่ยรู้จักรัตนะว่าจะปรากฏแก่เราเชื่อนะว่าจริงจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละว่าเราจะได้เป็นจกักรพรรด แต่เราไม่ต้องการด้วยจักรพรรดิราชไปเสยเถิดมานยางนั้นนะไปเสถเดิดมามา น, มานแปลว่าผู้ขัดขวางในการสร้างบุญเนี่ยนะไปเสถเดอะอย่ามาในที่นี้เลยนะถ้าจะให้ถ้าจะบอกข่าวดีเหล่านี้ไปบอกไปผู้ต้องการเถอะอย่าบอกเราเลยไม่มีประโยชน์สกลังทศาสะสหัสสัมปิโลกทาโตมาหั่งปณะนะ อุณาเดตวาภวิสามิพุทโธโลเกวินายโกเราจักเป็นแต่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างเดียวจกักรพรรดิไม่เอาหรอกจักรพรรดิทั้งโลกไม่เอาเราจะเป็นแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเป็นผู้นำพิเศษในโลกบรรลุลั่นไปทั่วหมื่นโลกธาตุนะเอาตำแหน่งอื่นกับบรรลุนี่เอาอันไหนลุงเรืองอบรรลุตอนหลังก็ได้นะจัดแจงธุระให้เสร็จก่อนของเงินนะแจงเสร็จหรื อ, อยังทำไมทราบนะีได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะก็ไม่รู้ บอกว่าเดี๋ยวเขาก็อันนี้แหละเดี๋ยวเขาจัดธุระให้เสร็จก่อนโรงเริงขาว่างันนะนนขอตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าวงันบอกเ อ, อ้ยยังจัดงานไม่เสร็จอะไรนะยังดูแลงานไม่ค่อยเรียบร้อยว่างันไม่รู้จะเรียบวันไหนก็ไม่ทราบนี่นแหละไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาอะไรเป็นประมาณว่าเรียบร้อยเนี่ยบอกเอาทวารตาเป็นประมาณเว้ยเดี๋ยวก็ขัดตาเดี๋ยวว่าจัดใหม่เอาทวารหูเป็นประมาณเอ้ยมันก็ขัดหูจัดใหม่ ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายถ้จัดอีกก็เดี๋ยวก็จัดใหม่เอาใจเป็นประมาณเอาใจดวงไหนกันนี้แหมใจนี่มันยากกันนะเอาใจโทสะมันก็ผิดโลภะเอาใจโลภะมันก็ขัดกับโทสะเอาใจโลภะโทสะโมหะมันก็เหงาอย่านั้นนะเอาใจโน่นผิดใจนี่ไม่รู้จะเอาอะไรนะนะมันก็ต้องเรียกว่าคัดสรรหาสาระให้มันพบเหมือนกันเออสาระอังเรื่องทั้งหมดนี่มันคืออะไรกันแน่นะนะ มีพระโพธิสัตว์ก็มีความคิดว่าไ ม, ไม่ไม่เป็นอย่างอื่นทั้งนั้นแหละขอเป็นแต่พระผู้แตเจ้าเป็นผู้นําชั้นพิเศษพาโลกพาหมื่นโล ก, กธาตุเนี่ยนะให้พ้นจากชาติชาราและมรณะให้พ้นจากราคะโทสะและโมห oh ะสามารถบรรลุลั่นได้ทั่วหมื่นโล ก, กธาตุนะมานั้นก็ไม่รู้จะห้ามว่ายัางไงนะแหมใจเด็ดเหลือเกินนะเรียกว่า พูดแบบภาษาเราบอกมารก็บอกไม่มีอะไรจะพูดต่ออีกเลยเนี่ยนะแม้เจอคําของพระโพธิสัตว์สองคาถ า, าแค่นั้นน่ยฟังแล้วก็โอ้กลับบ้านดีกว่า<笑><笑>เวลาที่พระโพธิสัตว์ออกบวชนั้นพระชนมายุ ข, ของพระองค์29พรรษาพระโพธิสัตว์นั้นทิ้งจั ก, กรวรติราชที่ตกอยู่ในเงื้อมพระหัตไม่เยื่อใหญ่เสมือนก้อนน้ำลาย่วาใครเคยทมเสเลตออกไปไหมบอกว่ า, วาโอ้เสมหะละน้ําลายเต็มปากเนี่ยนะ ซึ่งเสมหะดื่มไปแล้วรู้สึกว่าแหมเชื่อโรคทั้งนั้นเลยนะก็คายทิ้งโดยไม่อะไรฉันใดพระองค์ก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมออกบวชจากนิเวศอันเป็นสริริสรนิวาทแห่งจักรพัิวัติเนี่ยนะเมื่อดาวนักขัดอุตตราอาสาละหะเพนเดือนอาสาละหะก็คือวันเพ่เดือนเดือนเ่เพนเดือน8ปเป็นวันเดียวกันเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะปฏิสนธิในคัรพระมานดา ห, าหนึ่ง ออกบวชหนึ่งแล้วก็แสดงธรรมาจากหนึ่งวันเดียวกันก็คือวันเพนอาส า, าระหาก็คือวันเพนเดือน8ดนั่นเองกรองก็เสด็จออกจากพระนครได้มีพระประสงค์สุดท้ายเนี่ยนะก่อนที่จะออกบวชจริงก็อยากจะขอดูเมืองก่อนขอดูเมืองเมืองที่ตัวเองเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะในฐานะคารวาสในลำดับแห่งความตึกนั่นเองภูมิประเทศนั้นก็ แปรเปลี่ยนเหมือนกระจักแป้นที่หมุนทำภาชนะดินแก่พระองค์พระโพธิสัตว์ก็ยืนอยู่อย่างเดิมทอดพระเนตรกรงกรบิลพัทกระต้นม้ากันฑกะให้บ่ายหน้าไปตามทางที่พึงไปส่วนสถานที่ที่ดูเจดีตรงนั้นก็เรียกว่าเจดี JD สถานชื่อว่ากันดกะนิวัตนะเป็นสถานที่ม้ากันดกะหันหน้ากลับณภูมิประเทศนั้นพระองค์ก็เสด็จไปด้วยศักการะอย่างยิ่งใหญ่โดยเหตุให้เกิดเดสรดโอฬาร แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่เทวดาเนี่ยนะบูชาด้วยเครื่องสักการะดอกไม้ของหอมมากเลยนะขนาดคนบวชไม่กี่วันเตรียมจะสึกขนาดนั้นคนก็ยังแห่แหน ร, รอบโบรอบกำแพงเลยนี่แม้ออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคนจะไปแห่เทวดาทั้งหลายเนี่ยจะมาร่วมแห่มาร่วมดีใจมาร่วมอนุโมทนาขนาดไหนนะบางทีบวชแค่พรรษาเดียวนี่แหมไปส่งไปแห่ไปยังกบวชไม่สึกตลอดชาตินี่นะอย่างนั้เราจะบวชต่ออีก3ามชาติกว่ากันนะ ไอ้พวกแหพวกจัดครัวนี่ยังถ้วยล้างชามยังไม่เสร็จเลยหน้างน้ศึกมานะมนะไม่ได้เยอะผมยังไม่ได้ตั้งโกนอะไรด้วยศึกมาแล้วเนี่ยนะแท้จะมาช่วยเก็บของกันแหละบางทีไอ้พวกที่มาส่งงานบวชยังไม่ได้กลับบ้านเลยที่บวชนีิสึกไปแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้จัดงานยังว่าไม่ศึกไม่หาไม่ลางั้นแหละแล้วก็ยังว่านะสัพเพสัตตาอเวร า, วราโหลโตอยู่ว่าอะไรมากเลย สรับพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปเทวดาทั้งหลายก็ชูคบเพลิงจานวนคบเพลิงจานวนประมาณหกล้านดวงไปข้างหน้าพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยนะพวกถือประทีปเนี่ยนะนหน้าส่วนข้างหลังก็มีเทวดาถือคบเพลิงอีกประมาณหกล้านดวงเหมือนกันข้างขวาก็6ล้านดวงข้างซ้ายก็หกล้านดวงเอาเนาะใช้เท่าไหร่ลยี่สี่ล้านเนี่ยนะ เฮวดาพวกอื่นๆอีกก็สักการะด้วยพวงมาลัยดอกไม้ของหอมจุนจันทร์พัดจามรและธงผ้าห้อมล้อมสังคีตทิพและดนตรีเป็นอันมากก็ได้บรรเลงขึ้น <Yeah. S 1> ก็ได้บรรเลงขึ้นคือที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเพราะท่านเหล่านี้รู้แล้วว่าผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สามารถยังประโยชน์ในการบรรลุมรรคผลให้ผู้นี้น้อมไปนะท่านลุ้นตั้งแต่ไหนมา ลุ้นตั้งแต่นู้นไปขอให้ท่านอาราธนาให้ท่านมาเกิดในครันธามารดาลุ้นตั้งแต่ตอนออกจากคลอดจากพระคันลุ้นตอนออกบวชเนี่ยแม้เพอออกบวชเนี่ยดีใจมากใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยนะเราค่ะว่าท่านเหล่านั้นก็คิดว่าถ้าท่านประกาศทำมาจับเราได้บรรลุแนะ่ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะก็เลยดีใจแห่แหนกันไม่มีความสุขมากและเทวดาพวกอื่นๆอีกก็สักการะด้วยพวงมาลัยดอกไม้ของหอมจุนใจเป็นต้น นะทั้งพัด จ, จามอนงผ้าห้อมล้อมสังคีตะทิพและดนตรีเป็นอันมากก็บเล่งได้เองพระโพธิสัตว์นั้นไปด้วยเหตุที่ให้เกิดสิริอย่างนี้สเสด็จหนทางสามสิบโยตผ่านไปสามราชอาณาจักรใหญ่ราตรีเดียวเท่านั้นก็ถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมาแสดงว่าแม่น้ำอโนมากับเมืองราชครึกไม่ไกลกันเท่าไหร่น่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ประทับยืนนะริมฝั่งแม่น้าพง์ก็ตถามนายนนะว่า แม่น้ําเนี่ยชื่ออะไรฉันนะก็บอกว่านี่แม่น้ําอโนมาพระองค์ก็ใช้ส้นพระบาทกระแทกม้าให้สัญญาณแก่มา้าม้าก็กระโดดไปยืนอยู่ริมฝั่งแห่งแม่น้ําอโนมาซึ่งกว้าง8ดอุตส่ห์พระโพธิสัตว์ก็เสด็จลงจากหลังมา้ากระโข้ามฝากไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนพระองค์ก็ประทับยืนที่หาดทรายเสมือนกองแก้วมุกดาเรียกนายฉันนะมาสั่งว่าฉันซ้ายฉันนะเจ้าจงนําอาภรณ์ของเรากลับม้ากันกะกลับไปส่วนเราจกบวช นายฉันนะก็ทูลว่าข้าแต่แม้ข้าพระบาทก็จะบวชพระพุทธเจ้าข้าพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าเจ้ายังบวชไม่ได้เจ้าจะต้องกลับไปพระโพธิสัตว์ห้ามอยู่สาครั้งเสร็จแล้วพระองค์ก็มอบอาภรณ์เครื่องทรงของกรรษัตริย์และม้าขันธกะก็คิดว่าฝ่ายมานะเขาคิดว่าผมของเราอย่างนี้อขออภัยพงค์ก็มอบอาภรณ์และม้าขันธกะยกให้แก่นายฉันนะไปพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าผมของเราอย่างนี้ไม่เหมาะแก่สมณนะ จำเราจะตัดผมเหล่านั้นด้วยพระขันองค์ก็จับพระขันอันคมกริบด้วยพระหัดข้างขวารวบพระจุลาคือเส้นเกษาพร้อมทั้งเมาลีมวยผมด้วยพระหัดข้างซ้ายแล้วก็ตัดเส้นพระเกษาเหลือสององคุรีแล้วก็เวียนขวาเนี่ยนะเวียนขวาแบบคล้ายก้นหอยอย่างนั้นติดพระเศียรพระเกษาเหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้นจนตลอดพระชนชีพเกษานี่อยู่อย่างนั้นตลอดไม่ต้องโกนอีกเลยเนี่ยหลังจากนั้นไม่มี วันปลงผมพระพุทธเจ้าไม่มีส่วนพระมัศุม ส, สุก็คือหนวดเคราเป็นต้นเนี่ยนะก็พอเหมาะประมาณแก่พระเกศานั้นแต่พระองค์ไม่มีกิจที่จะต้องปลงพระเกศาและพระมัศุหนวดเคราอีกต่อไปเลยพระโพธิสัตว์นั้นทรงสรงรวบจุลามณีพร้อมด้วยเมาลีอธิษฐานว่าถ้าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าซ้ายผมนี้ขอให้ตั้งอยู่ในอากาศถ้าจะได้ถ้ายังไงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจงหล่นลงเนื้อ พื้นดินเนี่ยนะแล้วก็เหวียงขึ้นอธิษฐานเลยถ้าหากว่าลอยต่อไปเหมือนว่าวสูงขึ้นในที่สุดก็ไม่ตกลงมาเนี่ยนะเออก็เชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าผมตกลรมาใสดินนะไม่ได้บรรลุหรอกท่านก็เสี่ยงทายหลายเรื่องเหมือนกันนะถ้าเกิดผมตกใส่หมดกําลังใจหมดอนะแล้วก็เหวียงขึ้นไปในอากาศกรรมพจจุรมณีนั้นไประยะประมาณโยต์หนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ในอากาศก็เวียงขึ้นอนะ่ะนั้งท่านเวียงขึ้นสูงมากเลยนะเวียงขึ้นไป ประมาณ16กิโลเมตรแล้วก็ตั้งอยู่ในอากาศเท้าสกเทวราชตรวจดูด้วยที่ประจักษสุพระองค์ก็เอาพระอบรัตนะประมาณยอดหนึ่งรับเอากรรมพระจุลามณีนั้นแล้วก็สถาปนาเป็นจุลามณีเจดีย์สถานสำเร็จด้วยรัตนะเจประการขนาดสโยอดสร้างเจดีย์ใหญ่3โยอดในสวรรค์ชั้นดาวดึงดังที่กล่าวกันว่าพระผู้เป็นพระผู้เป็นบุคคลผู้เลิศ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 ที่ไม่ถึงความพินาศตลอดพุทธันดรนหนึ่งคือคติการะก็ยังแบบท่านในความเป็นเพื่อนมีเมตตาต่อเพื่อนยังเหมือนเดิมพุทธันดรนหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขาเป็นพรหมนะอายุเขยืนนี่บอกว่าวันนี้สหายของเราเออกอภินศษกรมจําเราจาักถือสมณบริคารไปเพื่อสหายนั้นก็เลยเอาบริขาร8ดไปถวายบริขาร8ดก็คือติจีวรัญจปะปัตโตจะวาสีสุจีจะพันธนังเนี่ยนะเป็นต้นก็คือบริขารแปดมี ไตรจีวรบาดมีดเข็มรัดประคดและผ้ากรองน้ําเป็นของพิกสุผู้ประกอบด้วยความเพียรเนี่ยนะผู้ประกอบด้วยยุตตะโยคัสสะพิคุโนก็คือผู้ประกอบในสมถะและวิปัสนาเครื่องบริการข อ, ของผู้เจริญสมถะและวิปัสนาพระมหาบุรุษทรงครองผ้าธงชยัยแห่งผ้าหันถือเพศบรรประชาสูงสุดแล้วก็เวียงคู่ผ้าผ้านุ่งผ้าหม่มไปในอากาศ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 สวรรค์ไม่ใช่เสียใจแล้วเกิดในสวรรค์ได้นะหมายถึงว่าตอนแรกเสียใจเป็นเหตุให้ร่างกายเนี่ยตายแต่แล้วก่อนจะตายจริงจิตของท่านก็เป็นกุศลก็เลยไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เกิดในดาวดึงเป็นเทพบุตรชื่อว่ากันตกะนะเป็นเป็น อ, อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงการอุบัติของกันตะกะเทพบุตรนั้นก็ถือเอาตามอัตกระถาวิมานวัตถุเนี่ยนะก็มีเรื่องราวอยู่ใน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 สำหรับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็ดูตอนบ่ายแล้วกัน